ที่จะเป็นอย่างนี้แต่ว่าอย่างของทางเราเนี่ยเราจะเน้นกลับมาสู่ฐานกายก่อนแล้วก็การดูเราก็ไม่ได้บอกนะเราก็บอกว่าดูกายเคลื่อนไหวดูใจคิดไม่เราก็บอกนะฮะแต่ไม่ใช่แต่ว่าเราจะเราจะอิงฐานกายเพื่อให้เรากลับมาได้ได้ดีเรากลับมาอยู่กับฐานกายได้ดีตรงนี้มันก็ทาให้การดูจิตจริงๆแล้วหลวงพ่อเองก็จะพูดถึงเรื่องของเอาสติดูจิต นณวันนี้เราเอาสติดูจิตแต่อีกหน่อยหลวงพ่อบอกว่าเดี๋ยวจิตมันดูจิตไปเองอย่างเงี้ยคือนั่นคือถ้าเรามีฐานที่เป็นนิสัยแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันพัฒนาไปเองโดยที่เราก็เรียกว่าอย่างที่ครูบาอาจารย์บางรูป ก, ก็บอกบอกว่าไม่ต้องทําอะไรคือเมื่อจิตมันดูจิตเองเราก็ไม่ต้องทําอะไรแต่วันนี้เอาสติ ด, ดูจิตเราพยายามหน่อยอย่างเงี้คือบางคนก็จะบอกบอกว่าโอ้ ย, อยางไ้ก็ไม่ต้องทําอะไรเลย ไม่ต้องทำอะไรเลยก็ข้ามไปเลยแล้วมันจะเป็นมันจะเริ่มพาดชัดไม่อย่างนั้นมันยากนะฮะเพราะนั้นนึงคือตรงนี้ครับเมื่อเราจะถึงจุดที่ไม่ต้องทำอะไรเลยก็คือเมื่อเมื่อเราทำจนเป็นนิสัยใหม่เราไม่ต้องไปเขาเรียกว่าไปกังวลเหมือนนิสัยเก่าแล้วเดี๋ยวงานงานก็น้อยลงเียราก็จะเหมือนกับใช้ความพยายามน้อยลงสบายใจ อย่างเนี้ยอย่างเมื่อวานเนียสามคนเนียที่บอกพอยกมือแรกก็ยกอยงมันก็เราก็พยายามไปนะฮะใช่ไมัะยงเงเไม่ต้องพยายามขนาดนั้นก็พยายามแค่นี้ก็พอแล้วอย่างเงี้ยก็เนียก็เสร็จแล้วพอพอเมื่อคืนผมเช้าก็เห็นขก็ยกยกข้างที่ขึ้นนะอย่างเงี้ยก็เนี้ยเเราก็ลดความพยายามลงทีละน้อยทีละน้อย ทำอะไรสะดุดหูหรู้ไหมมีอะไรที่เป็นเรื่องของการปฏิบัติที่ที่เหมือนกับสะดุดสะดุดหูต้องการคําอธิบายเพิ่มเติมอะไรเมื่วันจันทร์ดก็จะแนะนําการปฏิบัติหลวงพ่อก็แนะนําการปฏิบัตินะครับมีไหมครัมีเลยสะดุดมีไหมครั มีไม่มีตรงไหนสะดุดหูไม่มีไม่มีก็ไม่ไม่ไม่มีอะไรเพราะว่าแค่ว่าก็บางทีบางสับอย่างเงี้ยนะก็อาจจะแบบไม่ชัดเจน คือพอไม่ชัดเจนเนี่ยมันก็จะเหมือนกับมันก็จะบนเวียนอยู่ในความคิดล้วตรงนั้นก็ไม่ไม่อยากให้เป็นนะแต่ถ้าหากว่าเราไม่ติดขัดอะไรก็ไม่ไม่มีปัญหามันจะได้ไม่ไม่มาบนเวียนให้เราต้องคุ้นชิดันก็าตปฏิบัติร่วมกันท่นตรน้มอย<อ>ู่ในนัทั้งที่มอ่า จะจับตักได้ยังนะาะพอจับตามได้ไห ม, มในการปฏิบัติเนะา <c oughs> เวลาเราปฏิบัติเราก็ไม่ใช่ปฏิบัติเฉพาะาการที่จะอยู่ในรูปแบบการเดินไปเดินมาหรือว่าการรับประทานอาหารเข้าห้องน้ําแล้วก็พยายามที่จะรูนะ้มีความรู้สึกตัวรู้ไปเรื่อยๆ อย่าองพ่อได้ได้ให้เราฟังก็เข้าช้างกับดิ่งูเท่างูแลบลิ้นนิดนิดหน่อยหน่ยก็น้องพ่อก็ให้บอกว่าให้ช่วยโอกาสให้เป็นผู้ช่วยโอกาสเราเวลามันหลงไปก็พยายามที่จะรู้นิดนิดหน่อยหน่อยไปเพราะว่าเวลาที่อยู่นอกในการปฏิบัติมันจะเยอะกว่านอกกริยาบดหรือนอกรูปแบบเนี่ยของเราจะเยอะกว่า แต่ว่าบางทีเราไปทำงานเราก็เอาไปใช้ได้พยายามที่จะรู้เมื่อเวลามันชิดไปหลงไปถ้าบ่อยรู้บ่อ ย, ออยเห็นบ่อยเนี้ยก็คุ้นแล้วก็จ ะ, ะมีความไม่ยากทำใหม่ๆก็เราจะเห็นว่ามันง่ายมันง่ายที่จะหลง รู้ได้ยากก็เรื่อนๆลางๆไปพอทำไปทำมาเดี๋ยวตัวสต mm ิ hmm. มันเยอะก็จะเริ่มทัดเจียบขึ้นความคิดก็น้อยลงเป็นเรื่องธรรมดาขอให้เราขยันปฏิบัติขยันปฏิบัติบางทีฟังฟังครูบาจารยมากๆฟังก็ดีแต่ว่าก็บางทีก็ลืม แต่ว่าถ้าเกิดเมื่อเราทําเป็นแล้วเนี่ยอยา่ า, างว่าอาจารย์ตุ้มว่าหลวพ่อถามว่าทําเป็นกันหรือยังทําเป็นหรือยังก็เหมือนว่าถ้าเราทําเป็นแล้วเนี่ยเมื่อเกิดมีความหลงความทุกข์ขึ้นมาเราก็แก้ไขได้แล้วก็อาศัยการฝึกฝึกบ่อยๆหลวงพ่อก็จะบอกเสมอเหมือนกับเราเคี้ยวกอไก่ผัดเชียวนตั้งแต่ลูกบาลกอไก่ เขียนนั้นเขียนบ่อยๆเขียนบ่อยๆเขีนยนก็ก็สวยเองแต่ก่อนเราก็ต้องดูกระดานที่ก็ดูปอไก่ที่กระดานต่อไปเราก็ไม่ต้องดูแล้วเราเขียนเป็นแล้วเราก็ไม่ต้องดูการยกมือสร้างจังหวงเหมือนกันแล้วก็เมื่อเกิดเราทําเป็นแล้วเนี่ยเวลามันมีความคิดขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถบางครั้งถ้ามีสติมากๆเนี่ยความความสติก็จะตัดความคิดออกไปเองนะถ้าเกิด เรามีสติแก่กล้าหรือว่าบางครั้งเราไม่ต้องยกมือสร้างจังหวะก็ได้เราจะดูลมหายใจก็ได้นั่งอยู่เก้าอี้นั่งชิดเฉยนั่งดูลมหายใจเข้าออกแต่ว่าปกติคนเราก็จะนั่งคิดนะชอบนั่งคิดเพราะว่าความคิดนี่ยมันเพลินมันมีรสชาติความคิดบางทีก็ไม่อยากจะทิ้งมันนะมันคิดแล้วมันมีมัน มันเพลินไปรู้สึกว่าเออมันมันเพลินแล้วมันสนุกอย่างเงี้ยแต่ว่าบางทีมก็เวลามันทุกมันก็จะคิดทิศมาแล้วเราจะกุ้มแล้วคนี้มันจะเริ่มเครียดแล้วถ้าเกิดมันคิดสุขความคิดมันก็จะมีหลายอย่างคิดไปได้ทุกอย่างแต่เรื่องที่มันไม่น่าจะคิดมันก็คิดไปได้อย่างนี้เราถึงเชื่อนไม่ได้เอาก็จะ สุมันจะคิดทั้งที่เป็นกุศลทั้งอกุศลแลวก็จะไม่ให้มาครว่ามาเปลี่ยนมาเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีใหม่เปลี่ยนเปลี่ยนยนิ่สายที่เดิมๆที่เราเคยชอบคิดแม้แต่เรื่องเก่าๆที่ผ่านมาแล้วสามปีห้าปีสิบปีคิดขึ้นมาก็เสียใจ คิดขึ้นมาก็สุขก็ทุกข์อย่างที่เราสวดเมื่อเช้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอาดีตก็ละไปแล้วอนาคตก็ยังไม่มาส่วนมากเราก็จะเอาอาดีตมาคิดเอากลับมาอนาคตที่ยังมาไม่ถึงก็เอามาคิดมาปูนแต่งทั้งๆทั้ ท, ท, ที่มันก็ไม่มีมันไม่ใช่เรื่องเก่ง ม, มันบางครั้งบางครั้งมันก็ได้แต่คิด แต่แก้ปัญหาเนี่ยเราก็แก้ปัญหาบางครั้งเราจะคิดแก้ก็ไม่ได้มันต้องเป็นปัจจุบันเหมือนกันบางทีมันคิดเลื่อนลอยไปถ้าตั้งใจคิดอ่ะจะได้มบอกว่าเออมันเรื่องเฉพาะหน้าที่เราจะต้องกระทำะคิดแล้วเราก็ออทาเลยแต่ถ้าเกิดแบบอย่างเช่นคนที่หรือว่าชอบเล่นหวยเล่นอะไรเนี่ยคิดก็ คิดคิดจักรวยอย่างเงี้ยคิดอยู่นั่นแหละคิดจัดรวยแต่งานการไม่จอมทำคิดไปจนตายก็ก็คงไม่รว ย, ยนะหังคนที่เขาชอบคิดหรือว่าชอบเพอ้อฝันอย่างเงี้ยมันไม่ใช่กวามจริงมันคิดเอาไม่ได้มันต้องมีการกระทำการปฏิบัติธรรมของเราก็เหมือนกันเราจะบางครั้งแม้กระทั่งเราปฏิบัติธรรมไปเนี่ยมันเราก็มีความอยาก นะเราก็ต้องรู้เท่าทันเพราะว่าจิตของเราเนี่ยมันเร็วมากเร็วกว่าแสงเร็วกว่าเสียงเร็วมากเราต้องดูให้เท่าทันจะละเอียดลงไปเรื่อยๆนะจากอยากหยาบก็จะเป็นกายจะละเอียดลงไปเรื่อยๆบางทีเนี่ยปฏิบัติธรรมอย่างเช่นพระธรมาปฏิบัติเนี่ยก็บางครั้งที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเรื่องความโกรธเนี่ย เ, เราเห็นแล้ว เราเห็นแล้วมันดับไปมันดับไปเอาเรื่องใหม่มากอ่าเรื่องเรื่องอเรื่องการเรื่องการอ่ะเราก็เห็นอ่าอมันก็เป็นเรื่องอกุศลดับไปแล้วก็มาใหม่เองคันนี้เป็นเรื่องดีแล้วคันนี้เรื่องดีก็ไม่เอาเหมือนกันเรื่องธรรมะรู้แล้วอยากจะไปบอกคนโน้นอยากไปเทศคนนี้อยากจะไปสอนคนโน้นแต่ไปสอนคนนี้อ หือว่าบางทีก็เอาข้อทำข้อยกตัวอย่างที่จะมาแสดงทำอย่างเงี้ยเอามาคิดอเอามาเอาเอามาเทศอย่างเงี้ยอาจจะเริ่มละเอียดลงไป อ, อันนี้ก็ไม่เอาเหมือนกัน <c oughs> เราก็ให้รู้ท้อทันให้รู้ท้อทันบางทีมันก็ถ้าเกิดเราเห็นบ่อยๆเราจะรู้ทันนะจะเห็นบ่อยๆมีทั้งเรื่องอทั้งกุศลทั้งอกุศลละ ทั้งเรื่องดีทั้งเรื่องไม่ดีจะมาส่วนมากเราจะติดเรื่องดีอ่ามันแบว่าอพอพอปฏิบัติไปนะเกิดปัญญานะจะเกิดปัญญาขึ้นมาเป็นทางที่ดีเออทางที่ดีเราก็ละเหมือนกันเราก็ละเหมือนกันมันแบว่าโสดก็เมียวทุกข์ก็เมียวเราจะอยู่กลางๆอ่าที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามัชฌิมามาัมาชฌิมาปฏิปทาอยู่ทางสายกลางอ่ามันแบบเรขับ อยู่ตรงกลางเลนถนนอ่ะเราจะไม่ไปไปเลนซ้ายไปเลนขวาเราจะอยู่ตรงกลางไม่เป็นอะไรกับอะไรที่หลวงพออ่อท่านเขียนบอกน ะ, นะไม่เป็นอะไรกับอะไรก็ <c oughs> <c oughs> ให้เราปฏิบัตินอกรูปแบบมั่งก็อาศัยก็อาศัยกริยานามิตรหรือว่าอาศัยบรรยากาศนะใหม่ ใหม่ๆที่อาใส่เพื่อนๆด้วยถ้าเราไปปฏิบัติคนเดียวก็อาจจะหลับ <c oughs> อาจจะอาจจะขี้เกียจไปถ้าไปปฏิบัติถ้าอยู่กับเพื่อนก็เออคนโน้น เ, ออเดินจงกรคนนี้นั่งตั้งยังไงก็เห็นมีช่วยกันมันแบบว่า เ, าเป็นเพื่อนก็จะมามาที่นี่ก็ไม่ได้ว่าจะมาสอนก็มาเป็นเพื่อนปฏิบัติทำร่วมกัน เว่าอาตมา ก, ก็เดินทางอยู่เหมือนกันก็ปฏิบัติเหมือนกันก็ยังปฏิบัติดยู่ก็เริ่มปฏิบัติเลยนะโยมด้ยวยกันก็ใครจะดินจงกลมใครจะอะไ ร, ไรก็เชิญ น, นะทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาเพื่อให้เราปฏิบัติที่อยู่เรื่องเดีวยว ง่วงเราก็จะเป็นนอนเราก็ไม่ได้ปฏิบัติเบื่อแล้วก็จะเลิกเลิกก็ไม่ได้ปฏิบัติลังเลสงสัยก็หมวแต่คิดนันเลยเนี่มันถูนถกหรือไม่ถูกก็ไม่ได้ปฏิบัติใช่ ท, าาทั้งหมดมีเมป้าหมาย เ, าเดีวนะดเยวเพื่อไม่ให้เราปฏิบพระฉะนั้นที่อื่นให้เรารู้เลยว่าพวกนี้ปรากฏตัวเพื่อไม่ให้เราปฏิบัตินี่แสดงว่าเราปฏิบัติถูกแล้วนะเพราะฉะนั้นที่อื่สังเกตให้เราให้เรา ค่อยดูมาถูกทางแล้วถึงได้ถูกกิเลสกัดขวางถ้าไม่ถูกทางกิเลสก็ไม่กัดขวางถ้าตามใจเขานะครับเพราว่าไนั่งสมาธิเราขวดหัวแต่ว่าข่ายได้แล้วแต่ว่าพอมาทำอย่างนี้ร้ายมั่วงไ ม, ไม่ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาก็เลยแว่ายังหาทางไม่ออกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้เราลองค่อยๆใจเย็นๆคือ ย, ยังการปฏิบัติมันจะ เราเราหวังจะให้มันดีเลิศทันดีจะไม่ได้ก็ต้องค่อยๆเพียรตรงนี้ไม่ีมยังอย่างอะไรนะก็เรียกอย่างแนะนําแรกๆเหมเราก็จะแนะนําให้เปลี่ยเียงหไปหาได้ทําแต่ว่าพระเจ้าเนี่ยคเคยแนะนําโมฆะลานพราะโมฆะลา เมื่อยังไม่ได้บรรลุอะไรครับพระมุกขาลาก็ดวงตาเห็นธรรมแล้วเนาะก็บวชกับพระเจ้าจ้าปรากฏพระมุคขาลางม่งมาพระเจ้าจ้านับข้อข้อปฏิบัติเพื่อแก้ความโมุอยู่สิอย่างคือให้พระมุคขาลาเลือกเอาเล ย, เยทั้งหมดเนี่ยมันเรื่องของการเปลี่ยนที่ชิ้นหนึ่งอย่างซูว่าถังว่าบางทีเราสังเกต บางทีถ้าเวลาเราเราก้มตาต่ํามากๆบางทีเขาเรียกว่าเราเนิ่งนิ่งอยู่ในท่าเดียวนานๆมันก็เหมือนกับให่ท่าว่าพอเรานิ่งอยู่ในท่าเดียวนานๆนก็จะสึมนะใช่ไหมฮะพระเจ้าบอกว่าให้มองกไกลๆให้มองกไกลๆสมมติถ้าว่าเรามองกไกลๆใช่ไหม ก็มันก็จะช่วยให้เราหนึ่งอาการกริยาเนี่ยเราหลุกตาตับเราระมัดระวังไม่ให้สายตาเราไปกระทบอะไรมากเนี่ยการหลุกตากับการหลับเนี่ยมันใกล้กันใช่ไหมครับพราะเราลืมตาสูงอย่างเงี้ยมันหลับลงไม่ลงนะใช่ไมครับหนึ่งสองก็คือพอเราตาไปกระทบอะไรเนี่ยมันจะมีความคิดพะมันมีความคิดพุกเนี่ยคนนอนไม่หลับมาคนคิด ใช่ไหมครับพอเราอย่างนี้มันก็สติมันจะตื่นแต่เป็นตรงนี้ก็ให้เรารู้ว่านี่เป็นเพียงแค่เป็นเพียงแค่อะไเาเรียกว่าเราอา่อานสายอ่านกลับปีอันนี้ล้วก็กลับามาใหม่ย่เติมเพราะมีนจ่ายดีน่คุณเจ้าก็เล่ น, ห, นหรือสองคุณเจ้าก็บอกให้นึกนะให้นึกว่านี่เป็นกลางวันไม่ใช่กลางคืนเนย่าที่มันการนึกกูคิดอีกแล้วพอเราคิดเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราเนี่ย ตื่นอีกเดี๋ยวเพราะว่าเมื่อไหรที่เราคิดนะอย่างที่บอกคนนอนไม่หลับเพราะคิดแล้พุทธเจ้ากนแนะนำสามเนี่ยพุทเจ้าบอกว่าให้ลองไปนั่งที่เสียงเสียงที่แบบที่เช่นนั่งริมลิมหรือย่างนี้เราจะได้ตื่นตัวไม่ไม่งั้นก็แบบว่าพุทเจ้าแบบให้ไปนั่งบนหินให้นั่งบนอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าทั้งรู้สเหมือนจะหลบหลบไปเลย นี่พระจ้าก็แนะนนะอย่างเงี้ยใช่หฮะหรือพระเจ้าก็บอกว่าให้บริการนะให้บริการนะก็คือเหมือนกับเปลี่ยนอารมณ์จากการที่เราอยู่นิ่งๆอาจจะใช้การบริการสวดมนต์อย่างงี้นะใช่ไหมฮก็คือก็คือเราทั้งหมดเนียเป็นเป็นการเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยน จ, จุดที่เราหยุดอยู่ตรงนั้นเปลี่ยนเป็นเรื่อง อยู่ๆต้เปลนแต่ขอให้รู้ว่าเรื่องตรงนี้อย่าใช้นานใช้เพียงแค่พอเรารู้สึกตัวก็ตื่นกลับมาเลยรู้สึกตัวก็ตื่นกลับมายอย่าไปจมอย่าไปแช่คือว่าเั้าเขแนะนําทั้งหมดมันจะเป็นเรื่องอพระเจ้าบอกว่าถ้าเก้าอย่างเนี่ยใช้ไม่ได้นอนแต่พระเจ้าบอกว่านอนให้อย่างนี้นะบอกว่าให้ตั้งใจนอนและถ้าตื่น ต, ตื่นทันทีอย่างยิ่ง คือเหมือนว่าให้เขาอย่างเวลาตอนนอเป็นสังเกบขออีกหน่อยขออีกหน่อยเพื่อันนั้นมันคือกิเลสเราไปกินแไปนี้คือเพียงใช่ไหมอย่างบางทีเราเวลาเราทํางานอะไรอย่างเี้เราบอกขอหลับสักนิดเดียวต่นนั้นเองเราก็รู้สึกวาสดชื่นก็อย่างนี้เกลือพเจ้าเองก็แนะนำเนี่ยให้เราลองตั้งใจตื่นแล้วก็เราก็ทำความเพียนต่อคือตรงเนี้ยครมันเลยเป็นสิ่งที่ ไม่ใช่มีเฉพาะเราผู้ต ก, การก็มีมความคิดเข้ามาช่วยได้ตอนแรกหนูแบบว่าเข้าใจว่ามองเราวแบบขับยิ่งไปกิดเดี๋ยวมันจะไปไหนก็นเลยแบบว่าไม่กลั้ไม่เพีงแต่ว่าเราก็อย่างเราอาศัยเราอาศัยยึดติดนะไม่เคยรู้ว่าสามารถเอามาช่วยได้สามารถแต่ว่าเพียงให้เรารู้ว่าเราอาศเขาอาศั ย, อา ศ, ยอาศัยอุบายนี้เพื่อให้จิตมันตื่น คือเราก็เราก็หมดไม่ใชบางทีบางคนก็เลยอย่างน อ, อย่างบางคนพอมองนู่นมองนี่มั น, มนมก็ไปละมีอะไรที่น่าสนใจอนี้เพราะฉะนั้นคือเราเพียงขอให้เราตั้งใจที่นี่เราจะอาศัยเขาเพียงแค่ช่วยเราแต่ว่าในความเป็จริงท่านเราผ่านจุดนั้นไปอะไรก็แ ล, แลก็ จุดนี้ไปสักระยะความวุ่มันจะเป็นเพียงแค่สิ่งหนึ่งทีง่เหมือนกับความคิดที่ผ่านเข้ามาเราไม่ยุ่งก็ไดไม่เป็นไรคือแต่ว่าอย่างที่วัดเนี่ยครับหลวงพ่อจะแนะนำอย่างนนีะ้หนึ่งกลางคืนเนี่ยตั้งใจนอนบอกว่าอย่างที่บอกเมื่อคืนบอกว่านอนสามทุ่แล้วตื่นสักตีสามแลวพ่อบอกว่า ให้เราเนี่ยเตรียมตัวนอนให้ดีนะอย่าดื่มน้ําไปถ้าดื่มน้ํามากไปแล้วต้องลุกขึ้นมาฉี่ถ้าลุกขึ้นมาฉี่นะที่กลับมาแล้วก็รีบหลับเลยอย่าไปคิดอะไรเยอะแยะคือเหมือนจะว่าให้การว่าให้ความนอนให้การ น, นอนมาได้ต่อในแ่ลอย่างมันก็จะทําให้เราเหมืนมั่นใจว่านี่เรานอนอิ่มนะถ้าเรานอนอิ่มแล้วความวุ่นที่เกิดขึ้นทีหลังก็ไม่จริงหมดเลยแล้วในส่วนนี้นจะเปลี่ยนมาให้กาว่าร่างกายนอนพักผ่อ ความวุนะ่นก็เป็นสิ่งที่เราต้อ ง, องจัดการกับเขานะ่อยจัดการด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งนะแต่ถ้าเราอยู่ในเมืองบางทีเรานอนเดึกบ้างอะไรบ้างนะไม่ค่อยควบคุมไม่ค่อยได้นะเ mm hmm. ชื่อมันะม่นเยบางทียมันเป็นปัญหาการพึ่งตัวช่วยอื่นๆนีนะ่เป็นสิ่งที่เราก็ต้องพยายามไม่งั้นเราก็ต้องพึ่งมากขึ้นมากขึ้นเชื่อมันะ่พ mm hmm. ึ่งเพ mm hmm. ีงแคให้เราได้ รู ương, ้เพิ่งเพงให้เราได้รู้แล้วก็นานเข้าเราถ้าเรารู้แล้วก็เราดูนะก็อย่างนี้เราเดรกลมเ่นเราลึกรู้ว่าเราเดินแล้วเราก็มลึกรูว่าทางาเป็นตับที่รู้ค่าเียบน่ี้เราก็รู้สึกคือความรู้สึกมีอยู่แล้ว แต่ที่ปัญหาก็คือมันจะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ดึงความสนใจไการบริการก็เป็นการดึงความสนใจที่ทำให้เราไม่รู้สึกตเนี่งสมงมติถ้าเราบริการสายความหรือหนึ่งสอง ถ, นะถามังถามถามอาจจะเป็นคำถามที่อาจจะไม่จริงนะ ถ้าเกิดเราทำนี้ไปสิบปีถามว่ามีอะไรดีขึ้นเราจะรู้อะไรบ้างคุณําได้แต่ซ้ายมันก็ได้แค่ซ้ายขวกระหน่ำสองใช่ไห้ยเพราะนี้คือเราบริกรรมเป็นหลักแล้วก็จะมีแบบ a a r r ว่าเอตอนนี้ซ้ายหรือตอนขวาคือตรงนั้นมันจะเป็นเรื่องนี้นะว่าเป็นเครื่องที่มาบังความรู้สึกตัวแต่ว่าอย่างที่เราบอกหมดเราให้รู้สึกกับการเคลื่อนไหวของการ การที่เรารู้สึกกับการเคลืค่อนมหยของการจะทำให้เราเห็นกเลยว่ากายเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์ได้ะฉะนันเห็นความไม่เทียเ่ยงฉันเห็นความไม่อยู่ตรงันตรงนี้ครับถ้าเราทำอย่างนี้อย่างที่บอกเราเริ่มต้นอาจจะเริ่มต้นที่ให้เราคุ้นเคยกับการสัมผัสอะไรบ้างแต่ว่าพอต้องเปิดให้ให้สติเราอยู <c ười> ่กับสิ่งที่มันเด่น กับจิตที่มันไปสัมผัสอะไร ๆ, ๆบางทีจิตมันไปรู้ ก, รกัดกระทบบางทีจิตเนี่ยอย่างเงี้ยมันรู้ลมลมเย็นเย็นสบายดีก็เปิดให้เปิดโอกาสให้เรบางทีลม เ, เย็นเย็นอยู่ดีๆเดี๋ยวมีเสียงรลองๆมาจิตเราไปอีกแล้วตรงเนี้ยมันจะเป็นสิ่งนี่ครับเราเนี่ยจะเห็นใ้ตัวการเคลื่อนของจิตถ้าเราจะเห็นความเป็นทุกข์ของมันเห็นความไม่เที่ยงชัดเจน คือได้เหมือนแบบว่ า, ใ ห, าให้เรามองมันให้เรามองมันมากกว่าหมายถึงให้เราเริ่มต้นที่เราเราเริ่มต้นกันที่ความรู้สึกตัวแต่ว่าท้ายที่สุดเรารู้สึกได้ไหมว่าตอนนี้เรากําลังคิดอยู่เรารู้สึกได้ไหมว่าตอนนี้เรากําลังเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยให้เรารู้สึกกับสองอย่างรู้สึกกับกายรู้สึกกับใจรู้สึกกับกายรู้สึกกับใจมีสองอย่าง คือให้เราเนี่ยเหมือนกับม่ารู้สึกตรงไหนก็การก็ได้ใจก็ได้การก็ได้ใจแจะขอให้อยู่ในสออย่างนี้แหละขอให้อยู่ในสออย่างนี่มันจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นแต่ถ้าหากว่าเราไปจี้ไปแช่อที่จุดในจุดนึ่งมันจะปิดโอกาสการรู้ก<ม>็ เ, เรียกว่าปิดโอกาสดิปัสสนาใช่ค่ะพอมันก่อนจะแบบว่าเหมือนคิดว่าสมาธิต้องอยู่ที่เดียวเข้าใจหรือว่าสมาธิหมย่ยถึงฝนขวาฝันซ้าน สมาธิายถึงนี่งก็ช่ถ้าอย่างนั้นช่วยกายเป็นแบบมันนิ่งๆอย่างเดียวมันเค่ไม่คิดอะไรเลยแต่ว่ามันไม่รู้อะไรไม่รู้อะไร้อสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือเนี้ยรู้ไจนะสิ่งที่เราจะรู้ก็คือตรี้ยใจรักก็คือความไม่เลี่ยงความเป็นุ่คความไม่มีตัวตนซึ่งจริง กฏให้เรเห็นตลอดเลย เ, เพียงแต่ว่าเราไม่เคยมองแต่ถ้าเราเห็นเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนั้นทั้งหมดความไม่เที่ยงอตรงนั้นความไม่มีตัวตกรมอยู่มม ต, ตรงนั้นความเป็นอะไรตรงนั้นเราจะเห็นว่า อ, งไงอะไรคือตรงนี้ครับมันจะเป็นสิ่งที่เราค่อยๆนั่นถ้าเราทำเนี่ยดูการเคลื่นนอนไหวดูการคิดนนไม่หนักเดี๋ยวเราก็จะเห็นตังนี้ชัดเจนนะครับ ไม่นานทำตูกทางนี้ยไม่นาน <c oughs> <c oughs>